หน้า53นสะิบสานนเคีตอนปล่อยวางหนังสือมดแล้วอเก็บไว้ดีมากเป็นไรมาฟังทบทวนดูนช่วงนี้ก็เป็นการเรียนมัธยสัตว์อยู่นะ มกษัตรน์นั้นอย่างอายะเมวะเนี่ยคํานี้ของมาชอบมากอายะเมวะแปลว่านี้เท่านั้นนะฮะมาจากคาว่าอายังบวกเอวะบอกว่าอย่างนี้นั่นเที่ยวครับนิยมแปลว่าอย่างนี้นั่นเดียวพูดเป็นไทยๆบอกว่าอย่างนี้แน่นอนไม่มีอื่น <c oughs> อันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นคํากําหนดแน่นอนปฏิเสธมักอื่นถ้าจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่มีทางอย่างอื่นหรอก อันคำว่าอายะเมวะหรืออยังเอวะนี้เท่านั้นเป็นคำว่าตัดทางอื่นหมดเลยปฏิเสธเส้นอื่นทั้งหมดนี่นะปฏิเสธมร์อื่นทั้งหมดเพราะว่ามร์ที่จะทําให้ถึงพระนิพพานมร์ที่จะทําให้ถึงนิโรธัจจะมีอยู่มร์เดียวนี่นะคำว่ามร์เดียวเป็นมร์ที่ในนนั้นมร์นั้นต้องเป็นอริยะต้องเป็นอริยะนหม อริยะนี้มีความหมายว่าไกลาจากกิเลสทั้งหลายที่ฆ่าด้วยมักนั้นนั้นพันธะอาริยมักเกิดขึ้นนั้นประเสริฐเพราะว่าไกลาจากกิเลสอริยะตัวเนี้ยไกลาจากกิเลสเพราะว่ามักเนี่ยฆ่ากิเลสก็ทําให้บุคคลผู้มีมักเนี่ยสําเร็จถึงความเป็นพระอริยะ แล้วก็อริยมรรคเนี่ยจะทําให้ได้ซึ่งอริยผลเมื่อมีมรรคก็มีผลพันธาบรรลุอริยมรรคก็จักแทงตลอดสามัญญผลเช่ Ь นถ้าแทางตลอดโสดาปฏิมรรคก็จะได้โสดาปฏิผลถ้าแทางตลอดสกะธาคารมรรคก็จะได้สกะธ า, กก า, ะาคามิผลถ้าแทางตลอดอนาคารมรรคก็จะได้อนาคามิผลถ้าแทางตลอดอรหัตตมรรคก็จะได้อรหัตตผลเพราะว่าอริยมรรค อริยะตัวนั้นเนี่ยทำให้ได้ซึ่งผลองแปดของมรคนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นมรคนั้นจึงชื่อว่าอัดถังคิโกมีองแปดอันนั้นหมายเขาว่ามรเนี่ยมีองแปดเหมือนอะไรเหมือนเสนาเขามีองสี่ถ้าดนตรีก็มีองห้าขาดองค์ประกอบไม่ได้อะน น, นคือคือให้รู้ว่าทุกอย่างเขามีองค์ของเขาเห ม, มือนอะไรนะครับเป็นมนุษย์ก็มีอาการสามสิบสองเป็นองใช่ไหม พูดแบบไทยๆเราอ่ะนะก็มีองค์ประกอบคืออาการ32ไม่ครบ32เงี้ยนะก็ น, นีเก็มีองค์ของเขาว่าอาริยมรรคนั้นต้องมีองค์8ถ้าปฐมมชามมีองค์เท่าไหร่ปฐมมชามมีองค์5ทุติยะชามมีองค์4ตัติยะชามมีองค์3คือแต่ละอย่างเขาจะมีองค์ของเข า, าอ่ะอริยมรรคก็เลยมีองค์8คำว่ามรรคที่โดยศัพท์นี่แปลว่าทางเนี่ยนะ โดยอัฏฐะหมายคำว่าอันผู้ต้องการพระนิพพานย่อมสแสวงหาใครปรารถนาบรรลุนิพพานเนี่ยจะต้องสแสวงหาอริยมรรคหรือสภาวะของมรรคเนี่ยนะแสวงหานิพพานตัวของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สแสวงหานิพพานหรือเป็นสภาพฆ่ากิเลสทั้งหลายถ้าอยากฆ่ากิเลสเนียต้องมีมรรคถ้าไม่มีอริยมรรคฆ่ากิเลสไม่ได้ เพราะว่ากิเลสนี่เขาเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากถ้าไม่บรรลุอริยมรรคฆ่าเขาไม่ได้หรอกอย่างตันหาเนี่นะรู้ว่าตันหาเนี่เป็นมูลแห่งทุกตันหาเป็นเหตุแห่งทุกก็รู้รู้อยู่นะแต่ทําไมเราละตันหาไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีอริยมรรคเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเพราะว่าถ้าระดับปัญญาธรรมดาล่างๆไม่สามารถฆ่ากิเลสได้หรอก กิเลสนี่เขาเขาใหญ่จริงๆนะเ น, นี่ยการเจรณาหาเรปฏิกูลสัญญาธรรมดาทั่วๆไปไม่สามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเฉดได้เบื้องล่างนะแม้กระทั่งเจริญอสุภาษเจริณาณิจฉาสัญญาเจริญอะไรเนี่ยเจริญไปเยอะถ้ายังไม่บรรลุอริยมรรคฆากิเลสไม่ตายหรอกเน่นนะเพียงแต่ว่าเจริญเพื่อบรรเทาอาการของกิเลสเท่านั้นเองเมื่ อ, อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละจึงจะมีการประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ท่านอริยมรกมีองค์แปดเท่านั้นนี่แหละที่จะประหารกิเลสได้เป็นสมุทเฉทประหารท่านตัวที่จะประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากอริยมรกมีองค์แปดซึ่งอริยมรกมีองค์แปดก็มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะสายยะทิทางมีผู้ถามว่าองค์มรกทั้งแปดนั่นเป็นไหนหรือมีอะไรบ้าง ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงต่อว่าองค์แปดก็คือหนึ่งสัมมาสติธิสองสัมมาสังกประสามสัมมาวาจาสี่สัมมากรรมตาห้าสัมมาชีวะหสัมมาวายมะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิเนี่ยนะสัมมาธิธิโดยสภาวะของเขาคือมีความเห็นเป็นเรื่องของความเห็น เหมือนกับถ้าพูดถึงทวารตานะในบรรดาทวารที่ที่เหมือนกับว่าเรายอมรับมากคือทวารไหนทวารตาเนี่ยนะถือว่าสําคัญมากเลยใช่ไหมเพราะในการเห็นเนี่ยสาคัญที่สุดแต่ ว, ว่าเห็นด้วยปัญญานะเพราะาเห็นตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาทัศ น, น, นะนะเนี่ยนะปกติคําว่าทัศนะเนี่ยเช่นทัศนวิสัยก็คือในวิสัยที่พอเห็นได้หรือจักขูวิญญาณทำทัศนกิจใช่ไหมทำกิจเห็นอย่างเงี้ย สัมมาทิฏฐิปัญญาก็ทากิจเห็นเห็นอะไรบอกเห็นอริยสัพสัมมาสังกปะมีการยกสัมปยุตธรรมขึ้นโดยชอบนั่นนะถ้าสัมมาสังกปะไม่ยกขึ้นสัมมาทิฏฐิก็เห็นไม่ได้สัมมาวาจาก็คือกำหนดเอากำหนดถือเอาโดยชอบถ้ายิ่งคนที่จะพูดด้วยนะพูดให้หนึ่งไม่พูดเท็จไม่พูดคาส่อเสียดไม่พูดคำห ย, ยาบคาที่พูดนั้นไม่เพ้อเจรินี่นะ ถ้าไม่กําหนดดีๆเนี่ยพูดตามนั้นไม่ได้นะเพราะว่าพูดไม่เข้าอันใดอันหนึ่งก็เข้าจนได้แหละอันะไม่เท็จก็สอเสียดไม่ส่อเสียดก็หยาบไม่หยาบกับเพ้อเจ้อไม่กําหนดจริงๆนะไม่มีใครพูดสัมมาวาจาได้ง่ายๆหรอกอันสัมมาวาจาไม่ใช่พูดง่ายยิ่งสัมมาวาจาพูดให้ถูกองด้วยยิ่งยากอนนเช่นพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาไม่ไม่ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็ให้ถูกแกการเวลาต้นๆเนี่ยโอ้พวกนี้ทํายากมากนั้นถ้าไม่รู้องค์จริงๆเนี่ยลําบากอย่างในในยุคนี้นะมีผู้ที่เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่น้อยแต่ผู้ธรรมะที่ไหนได้เรื่องทุกครั้งพอผู้ธรรมะปั๊บทะเลาะเลย <c oughs> ทั้งเรื่องที่พูดเป็นคําสอนนะคําที่เขาพูดเป็นธรรมะนะเป็นอัดเป็นธทรำรแต่พูดเมื่อไหร่ได้เรื่องแค่ไหน เช่นก็มันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยถามว่าถูกไหมถูกแต่ไปพูดบางแห่งเนะี่ยสมมตินะเขาฝีไฟหนึ่งก็บอกว่าญาติเขาตายแล้วก็สังขารมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยถามว่าคนที่บอกข่าวว่าญาติตายเขาจะชอบไหมไม่ชอบแน่นอนเพราะความจริงเนี่ยนะถ้าพูดไม่ถูกกาละเป็นต้นเนี่ยโอ้เสียหายมากมันคนที่จะใชะ้สัมมาวาจานั้นจะต้องกําหนดถือเอาให้ดี นันสัมมาวาจานั้นกิจของเขาคือกําหนดถือเอาด้วยดีนันถ้ากําหนดไม่ดีเนี่ยนะพูดแล้วเสียหายส่วนสัมมากัมมันตา ก, ก็คือมีการงานดีเนี่ยนะจัดแจงการงานดีไม่ต้องลําบากใจอีก น, นะนะส่วนสัมมาอาชีวะเนี่ยนะมีอาชีวะที่ผ่องแผ้วโวทานะตัวนั้นแปลว่าผ่องแผ้ว นึกแล้วไม่ระคายใจเลยนะผ่องแผ่วส่วนสัมมาวายามะก็คือประคองเพียรประคองคือประคองจิตไม่ให้ท้อแท้ไม่ให้ท้อถอยส่วนสัมมาสติก็มีการปรากฏไอ้คำว่าปรากฏในที่นี้เนี่ยปรากฏยังไงตัวสติเนี่ยนะตัวสตินะเป็นตัวปรากฏ สติเนี่ยปรากฏคือสติเข้าไปบอกว่าอารมณ์นั้นเขาเป็นยังไงสติเนี่บอกหมดเลยนะพันสตินี่เหมือนกับว่าทําอะไรให้มันปรากฏขึ้นเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นเราหลงลืมไปใช่ไหมถ้ามีสติเนี่ยนึกออกได้เลยเหมือนกับเหมือนมันปรากฏขึ้นเลยอุปทานนะไอ้คําว่าปรากฏในที่นี้เนี่ยถ้าสติระดับมากเนี่ยก็ต้องปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะของกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละ ไม่ใช่ปรากฏแบบธรรมดาเนะี่ยไม่ใช่ปรากฏนี้บุญนี้บาปโอ้ะนี้ระดับล่างๆมากเลยนะแต่ถ้าสติระดับอริยมรรคเนี่ยปรากฏจนว่าหลังจากที่อริยมรรคเกิดแล้วนะไม่เคยเข้าใจผิดอีกเลยว่าสังขารเที่ยงไม่เคยมีในความคิดเลยว่าสังขารเที่ยงหือเหมือนเดิมเป็นต้นเนี่ยไม่มีขันค่าเขาปรากฏโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ถือว่าแม่นยํามาก ส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยนะมีการตั้งใจตั้งจิตตัวจิตเนี่ยตั้งมั่น น, นะตั้งใจมั่นหรือว่าใจเนี่ยมันตั้งมั่นไม่ไม่ส่ายเนี่ยนะไม่ซัดส่ายอันนี้พูดถึงลักษณะขององค์มรรคแต่ละองค์แต่ละองค์ตั้งสมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้น น, นะนะทัศนะเห็นอภิโรปนะยกสัมปยุตธรรมปริกหะกาหนดถือเอาสมุทฐาปนะเนี่ยนะก็สมุทฐ า, นะนะานนั่นแหละก็ โวทานผ่องแผ้วปกคะหะประคองอุปทานะปรากฏแล้วก็สมาธิก็สมาทานนัง่งก็คือการที่จิตเจตสิกไม่กล่วนกลวนกระจัดกระจายทีนี้องค์มรรคแต่ละองค์เนี่ยในขณะอริยมรรคเนี่ยทรรมกิจสามประการทรรมกิจสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งสมาธิทินี้ก็ละมิจฉาทิฏฐิ กิเลสที่เป็นค่าศึกของตนแม้อื่นๆได้เช่นขณะโซดาปฏิมากเกิดขึ้นเนี่ยนะภาระของเขาคือละมิชฉาทิฐิอันนี้พูดถึงกิจถ้าโดยอารมณ์ทมนิโรธคือนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วก็โดยอาสัมโมหะคือความไม่หลงลืมคือย่อมเห็นสัมปัุตธรรมทั้งหลายเพราะไม่ฟั่นเฟือด้วยอำนาจกาจัดโมหะอันตกปิดสัมปัุตธรรมนั้นๆได้ แม้สัมมาสังกประเป็นต้นก็เหมือนกันย่อมละมิจฉาสังกปะเป็นต้นย่อมทำนิโรธให้เป็นอารมณ <c oughs> ์มักทุกมักเนี่ยเหมือนกันคือมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้พูดถึงในขณะโลกุตระนะในขณะโลกุตระที่แทงตลอดนิโรธสัจจ์สัมมาสังกปะนั้นสภาวะของเขาคือยกซึ่งสหชาตธรรม ยกสหาชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เช่นยกจิตเจตสิกขึ้นรับพันิพาณเป็นอารมณ์สมาวาจาก็กําหนดถือไว้โดยชอบสมากัมมันตะก็ยังการงานให้ตั้งขึ้นดีโดยชอบอาชีวาก็ผ่องแผ้ววายามะก็ประคองสมมาสติก็ปรากฏสมมาสมาธิก็ตั้งมันอันในขณะที่มักเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะองค์มรรคแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ทํากิจของตนของตนไป อีกอย่างหนึ่งธรรมดาสัมมาทิฏฐินี้ในส่วนเบื้องต้นคือในขณะโลกิยะเนี่ยมีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันเบื้องแรกนะก็คือแยกเจริญนะนะสัมมาทิฏฐิเจริญอย่างหนึ่งสัมมาสังกปปะเจริญอย่างหนึ่งสัมมาวาจาสัมมาธรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็แยกเจริญทีละอย่างทีละอย่างไปอันนี้ในขณะเบื้องต้นนะขณะก่อนที่จะบรรลุมรรคเนี่ยก็แยกกันเจริญไป พอขณะอริยมรรคเกิดขึ้นก็ทำกิจพร้อมกันเพราะในขณะมรรคเนี่ยมีอารมณ์เดียวกันมีอารมณ์เดียวกันคืออะไรมีนิพพานเป็นอารมณ์ว่าโดยกิจย่อมมีย่อมได้ชื่อสี่อย่างกิจของมรรคทั้งสี่นะโดยชื่อสี่อย่างก็คือความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุ ท, ทยัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธาขามินปฏิปทา ถึงสัมมาทิฐิในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะสัมมาทิฐิในส่วนเบื้องต้นที่กําหนดกรรมก็อย่างหนึง่งกําหนดผลของกรรมก็อย่างหนึง่งกําหนดทำดําก็อย่างหนึ่งกําหนดทำขาวก็อย่างหนึง่ง น, นะรู้วิบาศกของรรทำดํำทำขาวรู้กรรมผลของกรรมรู้ความเป็นไปในวะะัฏฏะรู้ขนันอายตนะธาตรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ใช้สัมมาทิฐิทีละอย่างทีละอย่างไป วิปัสสนาญาณที่เกิดเป็นโดยลําดับพวกนี้ก็เป็นปัญญาคนละอย่างคนละอย่างไปพอเจริญอ บ, บรมจนปัญญาแก่กล้าเต็มที่ถึงกับมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีอารมณ์เดียวกันมีอารมณ์เดียวคือนิพพานเมื่อมีอารมณ์เดียวคือนิพพานเนี่ยขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยทําหน้าที่สี่ประการคือรู้ทุก รู้สมุทยัยเนี่ยนะยามที่ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทยัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธะขามินีปฏิปทาเธอแบ่งแยกว่าสัมมาทิฏฐิขณะโลกิยากับขณะโลกุตระนี่ต่างกันแม้สัมมาสังกัปปะเป็นต้นเบื้องต้นก็มีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันในกาละแห่งมัสมีขณะเดียวกันมีอารมณ์เดียวกัน บรรดาองค์มรจิตมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเหล่านั้นว่าโดยกิจสัมมาสังกัปปะได้สามชื่อว่าได้ชื่อสามอย่างคือเนคขมมะสังกัปปะเป็นต้นองค์มรสามีสัมมาวาจาเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นมีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันคือย่อมเป็นวีรตีบ้างเป็นเจตนาบ้างในขณะมรเป็นวีรตีอย่างเดียว องมร๒นอกนี้คือสัมมาวายามะสัมมาสติได้กิตสี่อย่างคือด้วยอํานาจสัมมาประธานและสติประธานส่วนสัมมาสมาธิในส่วนเบื้องต้นในขณะมร ก, ก็เป็นสัมมาสมาธินั่นแหละนี่นะก็คือตัวสมาธิ <c oughs> เข้าใจไหมคุณวิลาวันเข้าใจว่าไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> ตตัวไม่ยาวที่จะมียาวตัวปังมันยาวจะไปทำยังไงอ่ะถ้าแยกมรรคเนี่ยก็แยกในส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่ยโลกิยะ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเบื้องต้นในในส่วนเบื้องต้นโลกุตระก็คือในส่วนเบื้องปลายดังนั้นการเจริญโลกิยะก็เพื่อเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดระดับโลกุตระนี่ในองค์มรรคแปดเนี่ยนะข้อหนึ่งนะสัมมาทิฏฐิ ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยในส่วนเบื้องต้นมีอะไรบ้างก็แยกมาหนึ่งอะไรกรร ม, มสกตาแล้อันนี้ทิ้งไงยเาล่ะเขาเวลาเก็บเขาเขายันเก็บสายรวมหมดเลยอะไรกรร ม, มสกตาสองมิปั ส, สนาฌานกอน แ้วก็สามพสามเขาวิปัสนานะสามาธิที่เนี่ยแบ่งที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยแบ่งเป็นสามอย่างคือหนึ่งกรร ม, มสกตาส ม, มาธิสองฌานสา ม, มาธิสามวิปัสนาสา ม, มาธิเนี่ยนะซึ่งกรร ม, มสกตาส ม, มาธิก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่ก็มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม รายละเอียดเขาคืออะไรบ้างล่ะก็กรรมดําวิบากดํากรรมขาววิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาววิบากทั้งดําทั้งขาวแล้วกรรมดําเวลาให้ผลเขาให้ผลยังไงนะดวงที่หนึ่งให้ผลยังไงดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลอย่างไรดวงที่เจ็ดให้ผลอย่างไรอะไรให้ผลก่อนอะไรให้ผลหลังอะไรให้ผลนําเกิดอะไรให้ผลไปอุปธรรมอะไรให้ไปเบียดเบียนอย่างงี้ยนะก็เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกเยอะนี่ยนะ พันความรู้กรรมสกตาสัมมาทิฐิเนี่ยเบื้องต้นเรียกว่ามีเรื่องต่างๆกันเยอะแยะเต็มหมดเลยมากเนี่ยนะมากจนจนหลายคนท้ออะไรแางนั้นเลยพอฌานสัมมาทิฐิเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในการเจริญฌานนี่ก็เป็นอีกวิชาใหญ่มากๆเลยผู้การเสนอบอกโอ้เปิดสมาธินิเทศบอกโอ้โห ครึ่งปีไม่ต้องทําอะไรเลยนะเรียนทุกวันเนี่ยนะครึ่งปีไม่ต้องทําอะไรเลยคือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยทันพวกฌานสัมมาทิฏฐิแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็เจริญมากเช่นพวกกสินเนี่ยนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญกสินเกี่ยวกับอสุภะเกี่ยวกับมรณานุสติอาหะเรตติกูลสัญญาเป็นต้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีรายละเอียดมากพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเจริญสมาธิเนี่ยก็ต้องมีปัญญา นำหน้าอย่างอย่างดีอย่างเต็มที่ส่วนวิปัสนาหล ะ, ะนะมองในแง่ภูมิก็ขันอายตนะธาตุสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปบาทะนะที่จะวิเคราะห์โดยสภาวะลักษณะสามัญลักษณะเป็นต้นเนี่ยนะก็รายละเอียดมากแล้วก็อบรมอย่างนี้นจนกว่าจะคู่ควรแก่สัมมาธิฏีที่เป็นโลกุตระใช่ไหมสัมมาธทิที่เป็นโลกุตระก็ได้ชื่อสี่อย่าง สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระเนี่ยชื่อสี่อย่างนี้มีอะไรบ้างหนึ่งความรู้ในทุกเนี่ยทุกเขยานัง น, นี่ความรู้ในทุกสองความรู้ในทุกขะสมุ ท, ทยัยสามความรู้ในทุกขะนิโรดนี่ไงสี่ ความรู้ในทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาก็คือความรู้ในอริยมรรคนั่นเองอย่าลืมว่าความรู้ในทุกขกับสมุทัยเนี่ยโดยกิจใช่ไหมนิโรธโดยอารมณ์เขารู้รู้ทุกข์รู้สมุ ท, ทยัยและก็อันนี้โดยอะสัมโมหะ คือไม่หลงเรียว่าไม่หลงในองค์มรตัวเองอะนะเคยเคยลักษณะหลงพวกมีไหมมาด้วยกันหลงกันอย่างเงี้ยนี่นะนับไม่ครบอย่างเงี้ยนะลืมกันอ้าวว่าคนนั้นมาด้วยเหรออย่างเงี้ยนะหลงไปหมดแต่ว่าอริยมรตสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจะไม่หลงในไม่พวกตัวเองเลยนะขณะที่เกิดขึ้นเขามีปัญญาเขาเก่งกล้า ม, มากไม่ไม่ลุ่มหลงในพวก อันนี้ในแ บ, แบ่งแยกในส่วนที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระในขณะโลกุตระมีอารมณ์เดียวคือนิพานในขณะโลกิยะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้สัมมาทิฏฐินะใครสงสัยก็ถามการย์นินิดถึงมาถึงผ่านนะะ สัต์นะส่วนสัมมาสังกปะมรรคที่สองคือสัมมาสังกปะในขณะเบื้องต้นแบ่งเป็นหนึ่งเนค ข, ข ม, มะสังกปะสองอพยาปาทะสังกตปะสามอาวิหิงสาสังกตปะ เกี่ยวกับเรื่องเมฆขมมะสังกปะเนี่ยนะคิดเรื่องอะไรซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราคาเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ตรงตรงต่อราคะก็คือกลุ่มอสุภะอะไรตรึกเรื่องอสุภะตึกเรื่องปฏิกูลเนี่ยนะเรื่องกสินเกสินนี่จริงๆข่มราคานะนี่เรื่องกสิน หรือ ว, วิปั ส, สนาเป็นต้นเนี่ยนะพวกปึกเรื่องวิปั ส, สนาภูมิพวกนี้ก็เป็นเนคขมัสสังกปะหมดส่วนอัพยาปาท่าสังกปะก็คือกลุ่มเมตตาเนี่ยนะเรื่องเมตตาเรื่องคิดในเรื่องกรร ม, มสกตาบ่อยๆเนี่ยจะลดโทสะได้อาวิหิงสาก็เจริญ กรุณาเนี่ยนะกับความรู้ในเรื่องการเจริญกรุณาในเรื่องพิจารณาความทุกข์ยากของสรรพสสารทั้งหลายก็เป็นอวิหิงสาสังกปะอันนี้ในส่วนเบื้องต้นส่วนเบื้องต้นในเกี่ยวกับการเจริญสัมมาสังกปะนี่อารมณ์เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเจริญสัมมาสังกปะเนะี่ยมากเยอะเนี่ยนะแต่คงไม่ลืมว่าเจริญเบื้องต้นนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเจริญสัมมาสังกปะ อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลระแต่และอย่างเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันหมดจเจริญเพื่อบรรลุอริยสัจจิงอยู่ถึงขณะนั้นจเจริญเมตตาก็ตามคิดให้ผู้อื่นมีความสุขแต่วัตถุประสงค์ไม่ต้องการโกรธคนนั้นทําไมมันกวนใจเหลือเกินในคนนี้นึกเมื่อไรก็ตงเห็ดแตงเห็ดไม่นึกอริยสัจแล้วโทสะเกิดแทน ถ้าอย่างนี้ก็ต้องมาเจริญเมตตานะขอให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขนะขอให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเราคิดอย่างนี้กับเขาเรามีโทษหรือไม่มีโทษก็มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเราคิดอย่างนี้เบียดเบียนตนไม้เป็นตนะคิดอย่างนี้จนสามารถมีเมตตากับเขาได้อันนี้ก็เป็นแต่ที่เจริญเมตตาอันนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุมรคนิพพานไม่ได้ต้องการจะหยุดอยู่เท่านั้นอะไรเพียงแต่ว่า มันมันเดือดร้อนในระหว่างอนะเจริญวิปัสนาไปก็โทสะเกิดในระหว่างก็ต้องเจริญเนตาก่อนถ้าไม่เจริญก่อนก็เดือดร้อนตอนไปอินเดียปีที่แล้วเนี่ยนะนะนะขับรถไปต้นไม้มันล้มระหว่างทางมันล้มขวางทางเฉยๆอย่างงั้นแหละก็เลยพวกที่ไปด้วยก็ต้องไปช่วยกันยกจางเกตลงไปช่วยเขายกหรือเปล่าวันนั้นไม่ได้ลงไปนะ แต่ถามว่าเอ้าไปยกไม้ออกจากทางมันเกี่ยวอะไรกับการเดินทางอ่ะถามว่าตอนที่ยกไม้เนี่ยยกไม้ออกจากทางชื่อว่าเดินทางหรือไม่ก like ็ชื of, ่อว่าเดินทางเพราะถ้าไม่ยกออกต่อไปไม่ได้พวกเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเพื่อเพื่อจะออกจากอกุศลบางอย่างที่มันขวางต่อการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะมันก็มาเจริญเมตตาเป็นต้นหรือว่ามาเจริญกรุณาเพื่อกําจัด กุศลวิตกพวกนี้ถือว่าเป็นกุศลธรรมที่มีในเบื้องต้นเจริญโดยอารมณ์ต่างๆหลากหลายมากเฉะนั้นคนที่ที่ฉลาดวิตกกะจริงๆก็คือเนี่ยฉลาดเนค่ย ม, มะสังกปะอัพยาปา่าสังกปะอวิหิงสาสังกปะี้เมื่อเจริญไปอย่างนี้จนสัมมาสังกปะระดับอริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ นะนะมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะกําจัดอกุศลสังกัปปะได้อย่างจริงๆนั่นไะหนะเช่นว่าเมื่อบรรุเป็นพระอนาคามีแล้วนู่นแหละจึงจะการ ม, มาสังกัปปะแบบทั่ว ท, วทวไปจึงจะละเด็ดขาดพยาปาท่าสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะนะจะละได้จริงๆที่อนาคามีมั้งถามว่าพระโสดาบันเนี่ยนะยังยังโกรธอยู่หรือไม่บอกโกรธ ภาษกาามีะกษกาธาคามีโกรธหรือไม่บอกโกรธคำว่าโกรธในที่นี้เนี่ยไม่ได้โกรธแบบคนอื่นนะนะมายควว่าพูดด้วยความเสียใจเนี่ยนะพูดด้วยความเศร้าใจพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นผลของพยาบาทพูดด้วยความไม่สบายใจพูดด้วยความไม่ไม่พอใจพูดด้วยความขุนเคืองใจพูดตำหนิคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะด้วยด้วยอำนาจโทสะในพวกนี้ก็ชื่อว่าพยาบาทเชื่อว่าวิหิงสา อันจะละเด็ดขาดจริงๆก็ด้วยอนาคามิมักแต่ว่าจําเป็นต้องเจริญเนคขมะสังกปะเป็นต้นจนกว่าอาริยมักจะเกิดนั่นซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญจะได้กล่าวครั้งต่อๆไปในพูดคร่าวๆว่ า, เ, าเบื้องต้นนั้นเบื้องต้นที่เป็นโลกิยะ น, น, mm hmm. นั่นกุศลสังกปะต้องมีมากจริงๆจนคู่ควรที่จะบรรลุสังกปะที่เป็นโลกุตระ ถ้าสัมมาสังกปะที่เป็นโลกิยะเจริญไม่เพียงพอเนี่ยอย่าหวังเลยว่ากุศลสังกปะที่เป็นโลกุตระจากบริบูรณ์หรือจะเกิดได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งคิดธรรมะหน่อยเดียวที่เหลือคิดเรื่องการมหมดก็ก็ไม่พอที่จะบรรลุอยู่แล้วไม่ไม่สามารถบรรลุเลยเชื่อเลยพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วตรงๆว่าธรรมะอันเลิศไม่สามารถตรัสรู้ด้วยธรรมนเลวได้หรอก อ่านะั้งใครเจริญกุศลวิตกตกเป็นต้นเร็วๆไม่พอรอกที่จะบรรลุนี่ส่วนสัมมาวาจาอันนะสัมอนนะสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะเบื้องต้นนี้แบ่งออกเป็นสองคือวีรตีบ้างเจตนาบ้งางนะ เ จ, เ, เจตนาศีลกับวีรตีก็คือเจตสิกศีลยกมา2อย่างคือเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเพราะเจตนากับเจตสิกนั่นแหละคือสังวรกับอวีติกรมะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องเอามาพูดเพิ่มอะไรเพายกแค่เจตนาศีลกับวีรตีศีลก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะก็คือกลุ่มเดียวกันนั่นเองเพรนั้นวีรตีศีลคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะ ตัววีรตีเจตสิกกับตัวเจตนาเจตสิกตัววีรตีเนี่ยวีรตีก็คือเว้นจากบาปความลดความเว้นจากบาปส่วนเจตนาก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมสองกลุ่มคืออะไรบ้างาานะวารีด <c oughs> เว้นกับจารีดประพฤตินะคำพูดที่ต้องเวน้นไม่พูดมีอะไรบ้างก็ต้องไม่พูดแล้วอะไรที่ต้อง ต้องประพฤตินะต้องพูดอะไรบ้างก็ต้องพูดโดยเฉพาะพระพิสูจนเนี่ยนะต้องพูดจริงๆถ้าไม่พูดนะผิดศีล น, นะบางเรื่องถ้าไม่พูดเนี่ยผิดศีลเช่นว่าวันอุโบสถก็ไม่แสดงปาติโมกขนะผิดศีลนะถ้าไม่พูดถ้าไม่สวดปาติโมกเป็นต้นหรือถ้าไม่ไม่ไม่เชื้อชเชิญไม่อะไรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยก็มีรายละเอียดเกี่ยวเรื่องว่าจะต้องประพฤติจริงๆจะต้องพูดจะต้องเชื้อเชิญจะต้องบอกจะต้องกล่าวนะพัน นี่เป็นจารีตที่จะต้องประพฤติแล้วการประพฤติเนี่ยก็แบ่งเป็นในส่วนทางประพฤติทางวาจาอย่างหนึ่งประพฤติทางกายเนี่ยอย่างหนึ่งบางอย่างก็ต้องประพฤติทางกายและแก้ปัญหาบางอย่างก็ต้องประพฤติทางวาจาและแก้ปัญหาก็ดูในพระวินัยปิฎกเนี่ยจะเห็นเลยว่าเกี่ยวกับจารีตกับส่วนที่เป็นวารีตส่วนใหญ่นะ227ข้อที่มาในปาติโมกเป็นกลุ่มวารีตพวกเว้น แต่พวกที่ต้องประพฤติเนี่ยโดยมากเข